นการเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมาน닷คอมารมาพระไพ่บุญอภิปุโนทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกราบนมัสการครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับแล้วก็ในตอนนี้คือแอดพิซซดที่45่ส้าะคุณหมอใช่ครับ45ครับ45แล้วครับแล้วก็เป็นตอนที่เออเราก็จะได้พูดต่อเนื่องกับจากตอนที่แล้วคือต้องขอย้ํากับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรายการ เพียวธรรมะพอดแคสต์เนี่ยนะคือว่าเราก็จะเอาประเด็นต่างๆจากที่ไปพูดไว้ที่โน่นที่นี่บ้างซึ่งอาจจะพูดได้ไม่เต็มเวลาน้อยอะไรต่างๆเราก็จะจับมารวมไว้ที่นี่แล้วเราก็เนื้อหาต่างๆก็จะใช้หลักของผู้วิจารนี่แหละมาในการที่จะคุยกันถ้าเผื่ออันไหนที่ไม่ใช่ผู้วิจารณ์ก็จะชี้แจงให้ทราบว่าอันนี้เป็นความเห็นของอตมานะนี้เป็นความเห็นหมองรัฐพงษ์นะอย่างนี้เนาะครับซึ่งใน ตอนหลังๆนี่บางทีเราก็เอาเรื่องที่มันอัปเดตทันสมัยมาพูดคุยกันบ้างอย่างเช่นเรื่องน้าท่วมครับหลายตอนทีเดียวนะครับใ ช, <า>ใชน้าท่วมเนี่ย ซ, ซึ่งตอนนี้ก็จะเอาคําถามของคุณทิพย์มาตอบด้วยครับครับคุณทิพย์มีคําถามมาครับคือคุณทิพย์มีคําถามมาว่าคือท่านผู้ถามเนี่ยเขาก็ภาวนาแล้วก็เหมือนกับว่าภาวนาได้ไม่ค่อยเป็นสมาธิแล้วพอมีโอกาส ได้หยุดอาหารเย็นนะครับแล้วก็ภาวนาก็บอกว่าภาวนาได้ดีขึ้นก็เลยว่าเออก็พยายามที่จะหยุดอาหารเย็นคือการเหมือนกับถือศีล8 อ, อสสุโบสถศีลนะครับแล้วก็ก็เลยต้องการที่จะให้ท่านอธิบายว่าอ่ะการที่เราถือศีล8ดเนี่ยจะมีส่วนในการส่งเสริมการภาวนาได้อย่างไรนะครับอืมอันนี้คงสืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่พูดถึงว่าคนที่ถือศีล8เป็นประจําก็จะดีกว่าคนที่สือศีล8บ้างเนาะ คนที่ถือศีลแบ้างก็ยังดีกว่าคนที่ถือศีลหเป็นประจำซึ่งซึ่งดีนี่คือดีกับคนละเรื่องปไปเลยคือมันดีกว่ากันมากๆแน่ทีนี้โดยพรุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้พาพูดไปชัดเจนนะว่าเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยรักษาแล้วนะก็จะเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจใแต่พอมีความไม่ร้อนใจคื อ, อวิปัิสันเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อปิติปิติก็เป็นไปเพื่อปราโมทใช่ไหมปราโมทแล้วก็จิตก็ สงุประงับมีความสมุประก็เป็นสุขเป็นสุขจิตก็ตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิก็เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำนังปล่อยวางได้เป็นขั้นๆ่างนี้นะเพราะฉน์ศีลเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่สําคัญมากเลยถ้าศีลเป็นไปบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะจะทําความร้อนไม่ร้อนใจเนี่ยให้บริบูรณ์ได้ถ้าความไม่ร้อนใจเนี่ยเป็นไปบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะทําปีติปราโมทย์อะไรพวกนี้ก็เป็นลําดับลําดับขั้นไปให้บริบูรณ์ได้ อันนี้พระเ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับฝนตกที่ตกลมบนลงภูเขาเนี่ยบนหล่เขาเนี่ยย่อมยังซอกเขาซอกผาซอกห้วยเนี่ยให้เต็มได้ซอกเขาซอกผาซอกห้วยเต็มแล้วก็ยังบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มได้ไล่ไปไล่ไปจนถึงมาสมุทรเนี่ยเต็มได้ครับเพราะเพราะว่าการที่แค่ฝนตกลงบนภูเขาเพราะฉนสีเนี่ยใครอย่าว่าเป็นเรื่องจิ๊บจอยนะ เป็นเรื่องสำคัญมากมากเลยคือคือเป็นทั้งหมดเลยเอาเพราะอย่างแค่เรามาระลึกถึงสีของเราคือสมมุติเราบอกว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมเราเป็นคนมีสีเนี่ยเราเราจะคาสัตว์เราจะตบยุงเอ้ยฉันเป็นคนมีสีนี่แหละนะหมอเราบอกเป็นสีลานุสตินะอืมสติคือความระลึกได้ใช่ไหมคุณระลึกถึงสีของคุณเอาฉันระลึกถึงสีของฉันก็เป็นสีลานุสติสิสีลานุสติเนี่ยเป็นทําให้ถึงนิพพานได้นะ อืมครับเพราะเป็นหนึ่งในอนุสติส<อ>ิบใช่ไหมพุทธานุสติธรรมานุสติสังข า, านุสติอุปสมานุสติสีลานุสติอนาปานสติโอ้โหเท่ากันหมดเลยพวกนี้ครับอ่าคือสติคือความระลึกได้คุณมาระลึกถึงสีของเราโอ้ยวันนี้ฉันไม่กินข้าวเย็นสักวันหนึ่งถวายพระพุทธเจ้าแล้วกันโอ้โ ห, โโหจิตสูงนะเนี่ยคับแดนนิสงครับมีสติด้วยแล้วเนี่ยครับมีสติอย่างนี้นี่นิพพานเลยนะเนี่ย อทําไปเรื่อยๆ pues นะเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะนั้นอย่างเรื่องศีลานุสติอย่างเงี้ยที่เราสมมุติเราจะด่าเขาอย่าเงี้ยจะพูดคำหยาบก็เออเราไม่พูดหรอกนี่แหละนี่แหละศีลานุสตินะคุณได้บุญนะได้บุญจากการที่ไม่ไม่พูดคำหยาบใช่ไหมไม่พูดว่าจะโกหกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องมรรคอย่างเงี้ยเราก็ไม่พูดมิจฉาวาจาล่ะแค่คุณว่าจะไม่ด่าเขาจะไม่ว่าเขาเนี่นะอันเนี้ยเป็นศีลานุสติละ คือคือปากเนี่ยไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็มีศีลนะจิตที่มีแบบเนี้ยจิตที่ระลึกได้แบบเนี้ยคือศีลานุสติอก็จะมีสติบแบบมีศีลไปด้วยเพราะฉะนั้นศีลกับมันมันมาด้วยกันหมดศีลสมาธิปัญญาอืต้องอใชป้ปัญญาในการไตรตรองด้วยใช่ไหมครับใช่ทีนี้คุณก็ต้องมีสมาธิทิอยู่แล้วสมาธิทิก็คือปัญญาแน่นอนครับทีนี้ประเด็นต่อไปคืออย่างเรื่องของสติเนี่ยนะมันก็มีหยาบละเอียดของเขาอย่างแง่มุมตรงเนี้ย ถ้าเรามาดูจริงๆมันคือ4ลีลานุสติอย่างที่บอกนะคแค่ถือศีลธรรมดาๆเนี่ยนะใครจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดถึงขนาดจิตในจิตของเราตรงนี้มีสีลานุสติล้ทีนี้อย่างไอ้สติสติเนี่ยก็จะต้องมาทำให้เรารู้ด้วยว่าอย่างสมมุติเวลาที่เราจิตขัดเครื่องหรือว่าจิตพองไสหรือว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะรู้ได้ถ้าเรามีสติ อ๋อครับคือปกติจิตเนี่ยพระอริชาบอกให้เจริญสมถะแล้วก็วิปัสนาไปพร้อมๆกันคู่กันใช่ครับทีนี้เวลาที่ถ้าเราทําได้พร้อมๆกันสมดุลกันเป๊ะๆอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทําให้อสะวะเนี่ยมันเกิดไม่ได้เนี่ยผางในคุณเป็นพระลานเลยนะแสดงว่าที่เรายังไม่เป็นพระลานตอนนี้เพราะว่าจิตเรายังไม่สมดุลสมถะวิปัสนาไม่สมดุลสมดุลกันในลักษณะที่อาสะวะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราก็แหมได้ยินเขาพูดยกยอเราแล้วก็ไหลไปบ้าง เวลาเขาด่าเราแล้วขัดเครืองบ้างแสดงว่าเราปล่อยวางเรื่องพวกนั้นยังไม่ได้อืครับแต่การที่เราปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะว่าสมถาวิปัสนาไม่สมดุลกันคือคนมันจะปล่อยวางได้เนี่ยจิตต้องมีกําลังใช่ไหมจิตมีกําลังกันยังไม่พอไม่งั้นลือศีก็บรรลุเป็นพระลานกันหมดแต่ว่าคุณมีกําลังแล้วคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงด้วยนั่นก็คือวิปัสนาพดัะนั้นสมถาวิปัสนาเนี่ยต้องมาคู่กันอแล้วตอนนี้ฉันสมถามากหรือวิปัสนามากทําไมคุณจะไม่รู้ถ้าคุณมีสติ บางทีเรนั่งสมาธิคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอา้าเฮ้ยมันไปแล้วเว้ยอ๋อแสดงว่าวิปัสสนามากไปอเราต้อ ง, องทําความสงบ เ, เพิ่มขึ้นครบับความสงบเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกเริ่มขี้เกียจและ เ, เริ่มหดหู่และอ้าแสดงว่าสมถะมากไปต้องทำวิปัสสนาเพิ่มขึ้นอืมครับต้องเคียงคู่กันพร้อมๆกันใช่ <stes> แล้วเราก็พระพุทธเจ้าให้ปรับตรงนี้เยถ้าเรามีสมถะมากมีมีม ว, วิปัสสนาน้อยเอ๋อก็ตั้งตนไว้ในสมถะแล้วจะเลยมีปัสสนา มีวิปัสสนามากมีสมถะน้อยก็ตั้งตนไปในวิปัสนาแล้วก็เจริญสมถะอย่างนี้ได้เนาะครับอแสดงว่าแล้วอย่างกรณีคนที่ถือแค่ศีลห้ากับศีลแปดก็คืออานิสงส์ของการภาวนาก็จะต่างกันโอ้ต่างกันมากแน่นอนเอาง่ายๆอย่างแค่เรื่องกินข้าวครับสมัยก่อนมาเป็นเป็นคราวาสอย่างเงี้ยเจออะไรเรากินเลยนะเราไม่แคร์ว่าเราจะต้องนั่งพูดอยู่หรืออะไรอยู่อยากกินซื้อกินเลย ให้เป็นกานไม่ได้นะไม่ได้เขาแค่ว่าคุณสื่อสินแปดอย่างเงี้ยหลังเที่ยงไปหรือเวลางี้เวลาที่เขากินข้าวกันไปแล้วจะมาคิดเรื่องกินนี้เลิกพูดไปเลยครับคือจิตมันไม่เหมือนกันหมอรัตพงศ์ครับนี่คือเรื่องสติอีกเหมือนกันนะคืออย่างสมมุติอาตมาบอกว่าใครเคยเล่นเกมอะที่หาภาพไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าคุณคุณไปหาตัวเลขสักตัวเลขหนึ่งจากตัวเลขหลายๆตัวเลขอย่างเงี้ยเป็นเกมเกมเขาเรียกว่าเกม คลายปัญหานะไอ้กเกรมที่พัฒนาสมองนะจิตของเราเนี่ยจะต้องจดจ่ออยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับจิตเราจะต้องจดจออ่อที่ตัวนี้ตัวเดียวนั่นคือลักษณะของจิตที่มีสติคุณระลึกถึงคนนี้คนเดียวสิ่งนี้สิ่งเดียวี่อย่างใครเคยเล่นอย่างเช่นขับรถไปอย่างเงี้ยคุณจ้องว่าจะหารถตัว ใ, ใต้อย่างเดียวจิตของคุณจะจดจ่ออยู่กับตัวนั้นตัวเดียวครและนี่คือลักษณะของนายทวารที่เขารักษาประตู แล้วเขาจะคอยดูว่าใครไม่มีบัตรรถคันนี้อย่างป้อมยามานะที่หน้าประตูบ้านบ้านใคร ท, ที่เป็นหมู่บ้านนะ่บ้านเขาจะต้องดูกระจกเลยว่าต้องมีสติเกอร์ครับและไม่มีสติเกอร์มันจอดเรียกมันจะบกเรียกทันที เ, เขาขเ้าจะจดจ่ออยู่ที่อย่างนี้ตลอดจิตอย่างเงี้ยจิตอย่างนี้คือจิตที่มีสติอก็จะไม่เราจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจดจ่อเนี่ยคือคือมันไม่ใช่เครียดครัตต์ว่าเราจะต้องคอยเพ่ง คือเพ่งเนี่ยมันก็เพ่งถูกนะแต่เราไม่เครียดคลัตไงอืมอ่อออย่างเราคอยจอยที่เลมหายใจอย่างเดียวอย่างนี้เราเอาไปปุ๊บเราจอยู่ที่เลมหายใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติในเรื่องที่เป็นกุศลกับอกุศลอกุศลเราไม่เอาเลยเอากุศลอย่างเดียวครับอ่สติตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ต้องมาคอยเพ่งเล็งเรื่องเกี่ยวกับกามเนี่ยมันทําให้ คือแทนที่เราจะเพ่งเล็งเรื่องที่เป็นอคติศลการนี่เป็นอคติศน์ใช่ไหมสมมติคนกินข้าวเย็นเนี่ยคุณต้องอยเพ่งเล็งเอ้ยเย็นนี้คุณจะกินอะไรดีวะเออกินข้าวขาหมูดีกว่าเออหรือกินสุกี้ดีโอ้โหมันไปแล้วจิตเราไปแล้วครับซึ่งคนที่ไม่ต้องกินไม่ต้องคิดจบเลยสบายนะเอาหรือว่าแค่จะทาไอ้คราวนี้ฉันจะทาเอาอะไรครีมอะไรทาหน้าดีนะเว้นกาดจากพวกนี้ประดับประดาทัดสวงมาลาของหอมเครื่องรูปไายรูปทาอันเป็นแต่ละแห่งการแต่งตัว มันขาดจากสิ่งพวกนี้ไห น, นเราก็ไม่ต้องมาคอยคิดว่าเอ้ยคราวนี้ฉันจะติดกิ๊บสีอะไรดีไอ้ฉันจะหวีผมเป๊ไปทางไหนดีหรือว่าฉันจะเอาอะไรใส่น้ํามันใส่ผมดีโกนหนวดแล้วจะเอาอะไรทาดีโอ้ไม่ต้องคิดเลยจบอื ม, มันไม่ต้องเพ่งเลงเรื่องพวกนี้เราแทนที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยไปคอยระลึกถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคุณไประลึกถึงเรื่องที่เป็นกุศล<ช>เพราะฉะนั้นการรละลึกถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเป็นการคุณทั้งนั้นเลยอืใช่ครับเพราะฉะนั้นสติเราอยู่ในกุศลธรรม นี่สมาสติถ้าสติเราอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นมิฉาสติคุณไปนึกถึงเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวเด๋ยไปซื้ออะไรอ่ะซองหนังมาใส่โทรศัพท์มือถือดีกว่าเนี่ยอย่างงั้นอย่างนี้นัน่ น, นไปละไปละมีสติในเรื่องที่ไม่ถูกละครับอเพราะตรงนี้มันเหมือนกับคอยเตือนเราเรียกเรามาแล้วงนึกออกไหมเศรษฐกิจเนะี่ยเวลาที่เราที่เราคอยจ้องดูอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าอันนี้มันจะผ่านมาตรงนี้เมื่อไหร่ อย่างให้เด็กเด็กเนี้ยไปหาเอาลูกไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ตลาดเนี่ยเด็กเขาก็จะไปหาอย่างนี้อย่างเดียวหรือคอยตรวจดูซิว่ามีรถคันนี้ผ่านมาไหมเขาก็จะจ้องอยู่อย่างเดียวนะซึ่งตรงนี้คือสติที่เขาจะต้องมีที <c oughs> นี้ว่าอย่างเวลาที่เร า, เาทาอะไรอยู่สักอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันจะมีคนมาสะกิดหลังเราอย่างเงี้ยก็เป็นการเรียกเราให้กลับไปสนใจสิ่งนั้นใช่ไหม หรือว่าบางทีเรานอนอยู่นอนหลับอยู่เนี่ยเราตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตีสบ้างตีหบ้างอย่างเงี้ยนะพอนาฬิกามันปลุกเราก็ตื่นหรือบางทีเราไปโรงแรมอย่างเงี้ยไปนอนที่โรงแรมมันก็จะมีบริการที่เรียกว่าเวกับคอลใช่พหมอราะอพอเขาโทรมาเราก็ตื่นและซึ่งตรงนี้คือลักษณะของสติที่เป็นเวกั c คอลเป็นคอยมาสกิดเราให้ทำความดี สติ S <S เราพูดถึงสมาสติอยู่แล้วนะใชับให้คอยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีๆใช่ไหมให้คอยระลึกถึงสิ่งที่ดีๆเฮ้ยคุณคไม่นึกถึงเลยนี่นี่นนี่นนสกิดสกิดไหลเอา้าโทรศัพท์เรียกมาๆทําความดีเอา้านาฬิกาปลุกปลุกให้ไปทําความดีอย่าง ก, กรณีของน้าท่วมมอเตร์พงโอ้โห classic case เป็นนาฬิกาปลุกอย่างดีที่ปลุกให้เราไปทําความดีอ <โฮ S 1> ย่างเรารเห็นความเห็นบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว เาไปช่วยกันนะไปเป็นอาสาไปเป็นช่วยแพ็คถุงนั่นถุงนี่เอาไหมใช่ไหมถุงก็เรียถุงอย่างชีด嘛นะถุอันนี้เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคการายบุคคลคือบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนเรามีความตระหนักตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเห็นสถานการณ์ว่าโอ้โหตายละคนเขาเดือดร้อนกันมากเดือดร้อนเยอะเลยโอ้โหให้เราต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งไว้เนี่ยคือตัวเรียกคุณละกระแสเรียก เป็นสติที่เรียกเราให้คุณไปทำความดีสิแทนที่จะมาเช็ค Facebook อัปเดตท t ิต t ตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตกดเกมกดคุณไปทำความดีซะเว้ก <Wake up S 2> ับ <all. S 2> คอทำไมเราไม่เว้กับตั้งแต่ตอนที่พายุคราดีนาหรือว่าซึนามิที่ญี่ปุน่นนะเพิ่งมาเว้กับตอนน้ำมันอยู่หน้าบ้านเรารโอ้โหมันช้างไงมันใกล้ตัวมากขึ้นคุณเป็ น, นม้าอาชาในประเภทไหนละ่ะ ถ้าเรารู้สึกตื่นตัวตั้งแต่ตอนที่สึนามิที่ญี่ปุ่นหรือก่อนนั้นนั้นอีกอ่าคริติน่าที่ยูเอสอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยตายแล้วทุกคมไม่เที่ยงขนาดนี้เฮ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เว้ยงั้นเราเตรียมตัวก่อนดีกว่าว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังอาเตรียมการไหนย้ายของทําจิตยังไงสื่อสารกับใครยังไงจัดการอะไรยังไงสบายใจละใช่ไหมครับเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังเรียกว่ามีเวกับคออยู่แล้วอ่อเป็นผู้ที่ ก็เตือนเราอยู่แล้วทีนี้บางคนมันมีกรณีอย่างนี้อย่างเวลาเราไป อ, อุปการะคนหนึ่งก่อนใช่ไหมเป็นผู้มีเป็นบุปการีบุคคลอย่างนี้คือนี่เป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะ อ, อย่างที่สองเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีความกระตันยูรกระตะเวทีกรตันยูเนี่ยปแปล ว, ว่ารู้คุณรู้คุณกระตะเวทีนี่คือตอบแทนตอบแคือบางบทีเรารู้เฉยๆแต่ไม่ตอบแทนก็เรียกว่ากตันยูอย่างเดียว<อ>นะถ้ารู้ทั้งตอบแทนก็เรียกว่ากตันยูกระตะเวทีเนาะ ทีนี้มนมีกรณีอย่างนีอย่างที่เห็นตามข่าวเขาเอาถุงยางชีพไปให้ครับเอาถุงยางชีพไปให้สมมติหมอรัตวงเอาถุงยางชีพไปให้ใครสักคนใดคนหนึ่งใช่ไหมหมอรัตวงเนี้ยเป็นคนมีบุปลิการีนะอาศัยเหตุปัจจัยที่เรีว่ามีเวกับคอคือสถานการณ์น้ําท่วมทา ใ, ให้เรามีสติระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องทําความดีเอาไปทําความดีทําความ ด, ามดีแล้วทำยังไงเอาเอาถุงเอาถุงยางชีพไปให้ให้ทานนะให้ทานเสร็จปุ๊บคนรับบอกว่าเฮ้ยเธอมาจากพวกเสื้อสีนี้ฉันไม่รับด่าซ้ำเอาฉันต้องการ มามีกึ่ ง, งเซมเบต ร, รูปรถหมูสับนะทำไมเอารถต้มยำไม่ไม่เอาวเกลี้ยงติ่งไอ้นี่มันไม่เห็นคุณของของเรานะครับเป็นผู้ที่ไม่มีความกระตันอยู่คือไม่รู้คุณคือเราไม่ได้ต้องการให้เขามาโหยกย่องกราบตีนเลยว่าคุณทําความดีไม่ต้องก็ได้แต่ขอให้รู้คุณเป็นผู้มีความกระตันอยู่ทีนี้ถามว่าคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักเวกับของของเขาไงจนกระทั่งเขาหิวจริงๆน้ํามันท่วมถึงคอแล้วไม่มีอะไรจะเอาเข้าปากแล้วเออเอาก็ะดาวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวไปเอาเอง อ, อลักษณะนี้ก็มีนะมีครับอ่าคำถามว่าเมื่ อ, อไรละ่ะคุณจะถึงเวกับข้อเวกับข้อคุณอยู่ที่ไหนบางคนน้ําท่วมถึงพัดพา ถ, ถึงเอลยังไม่รู้สึกตัวต้องน้ําท่วมถึงหัวถึงจะค่อยรู้ว่ารับตรงยังชีพเขาแล้วถึงว่ามีความกระตันอยู่ธตรมาจะบอกให้สองอย่างนี้เป็นของที่ต้องมากู้กัน บ, บุปการีบุคคลกับกตันอยู่กตาเวทีบุคคลมีคนให้แล้วมันไม่มีคนรู้จักรับหรือว่ารู้คุณค่าของของมันก็ไม่ได้แพร้นมันจะหมุนไปไม่ได้ การให้ไม่สมบูรณ์มันจะหมุนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องการทั้งสองอย่างถามว่าในกรณีอย่างนี้ก็น้ำท่วมเนี่ยเป็นคลาสสิกเคสเลยว่าเป็น Call ครับใช่ครับแล้วก็มันจะหายไปหรือไม่เราก็ไม่รู้นั่นหมายความว่าไอ้จิตแบบนี้จิตที่คุณมีสติถูกเขาปลุกตื่นขึ้นมาทำความดีเนี่ยเวลาสถานการณ์มันหายไปนะคนปลุกหายไปคุณอย่าหายไปด้วยนึกออกไหมให้มีสติทำความดีอยู่ตลอดเวลา นี่คือเรื่องสําคัญนะหมอระดวงทําไมเราไม่รู้สึกตัวตอนที่มีพายุกระจีนาหรือว่าซูนามิที่ญี่ปุน่นทําไมเราเพิ่งมารู้สึกตัวตอนนี้มันใกล้ตัวมันทำไมเราไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เมื่อตอนที่ตัวเราป่วยทําไมต้องรอให้หมอมาบอกว่าคุณเป็นมะเร็งขั้นสี่ทําไมเราไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนที่เราตื่นเช้ามาทุ้กช้าเราต้องรู้สึกตัวแล้วแต่มารู้สึกตัวอีกทีตอนป่วยหนักๆอายุมากแล้วแปดสิบเก้าสิบไม่ก็คอครั้งสุดท้ายอยู่ที่ไหนหมอระวงอยู่ที่ตอนเราจะตาย แต่เขามาปลุกแล้วคุณไม่ตื่นอีิงนะ ค, คุณก็ตายซ้ำตายซ่ า, ต า, ต, าตายแล้วตายอีกนั่นแ่ะเกิดมาแล้วเกิดอีกเป็นเอกชาติก็ไม่รู้เรื่องสตีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะตอบโจทย์นี้ที่ไหน ค, คุณจะตื่นตอนไหนคุณจะรู้สึกตัวตอนไหนคุณจะมีสติระลึกได้ตอนไหนแล้วว่าฉันจะทำความความดีครับนึอกออกไหมเรา <c oughs> เราไม่ไต้อง ต, ต้องรอให้มันถึงมะเร็งขั้นสี่บวยหนักๆแก่จนผมหงอกหลังโกง่งนอนจมกองมูดกองคู่ตัวเองหรือว่ามีทุกขเวทนานหนักจนใกล้จะตายแล้วอันนั้น<อ>มันก็ช้าไปละ่ะ<ต>เหมือนทีหนหน่หนังนงจีนบอกว่ามีอ่ไม่เห็นลงศพแม่หลังน้ำตาอย่างนี้นะ <c oughs> ครับก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่จะตื่นได้ ตื่นได้เนี่ยนะก็จะต้องมีสติระลึกได้นะว่าฉันต้องทําความดีอารมาบอกอยู่เสมอเลยว่ า, าแค่ทุกวันเนี้ยเรากินข้าวเราต้องไปห้องน้ำก็ทุกพอแรงแล้วใช่ครับเราตื่นเช้ามานะเราต้องไปหาอาหารมากินเนี่ยก็ทุกพอแรงแล้วเราไม่จำเป็นต้องรอให้เราป่วยหรือว่าอะไรอย่างต่างคือบางคนถ้าไม่เห็นเขาจะไม่เห็น แล้วไปทําอะไรเขาคนหลงระเริงไปกับสิ่งภายนอกเช่นนี่คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนน้นเป็นอย่างนี้หาสิ่งภายนอกนู่นนี่นั่นโดยที่ลืมนึกถึงจนกระทั่งน้ําท่วมครับจนกระทั่งบ้านไฟไหม้น้ําท่วมไฟฟ้าดูดเงินหมดป่วยใกล้จะตายมีเหตุการณ์สักอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเรียกเห็นทุกเห็นธรรมมานะถ้าไม่เห็นทุกมันก็ไม่เห็นธรรมอ่ะใช่ครับทุกมันมันมีอยู่ทุกขนาดจิต แค่หายใจเข้าหายใจออกเอาหายใจเข้าหายใจออกก็ทุกพอแรงแล้วใช่ครับนถ้าคุณไม่เห็นช่วยไม่ได้นะชี้ให้เห็นอยู่ก็ยังไม่เห็นแล้วไปทําอะไรไปหาอย่างอื่นไปหาเล่นเกมกดไปหาเล่นคอมพิวเตอร์ไปหาอัปเดต Facebook อัปเดต Twitter แล้วก็คุยแชทชิดแชทกันแล้วเสียเวลาต่างๆในโลกเกินมาตายฟรีพวกนี้ครับหายใจทิ้งใช่ไหมครับไม่เห็นลงสมใป็นหลังน้าตาพวกนี้ครับครับมีหมอรัตนพงศพูดนะับเท่าที่สังเกตนะครับบางคนแบบ สมมติบ้านน้ำท่วมอย่างเงี้ยมักจะมีทุกอื่นๆเข้ามาซ้ําเติมนะครับทุกหนักๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวตกงานด้วยเดี๋ยวไอ้นู่นนี่เดี๋ยว อ, อะไรเนี่ยแม่ป่วยครับครั บ, ร บ, รบแปลกนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวคือคโดนขนาดนั้นแล้วบางทียังไม่รู้ตัวว่าฉันต้องทําความดีกลับไปโกงไปขอยืมเงินไปทําความชั่วช้าลามกอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ทำให้เราแยกได้ระหว่างคนชั่วกับคนดีคือคนคนชั่วเนี่ยมันทําความชั่วง่าย คือคนเรวมันเร็วอยู่แล้วไงมันก็จะมีการอ้างเล่ในการที่ทำความดีแล้วก็ไม่มีหีหรืออัตตะบ่ไม่มีความกลัวไม่มีความละอายตบับในการที่จะทำความไม่ดีคือจะทำความไม่ดีเนี่ยไม่ละอายจะทำความดีโอ้ยมีข้ออ้างเยอะแยะอนี่คือคนชั่วใช่ไหมคนดีเนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งจะทำความชั่วโอ้ยไม่ได้หรอกมีหีรืออัตตะบ่ใช่ไหมจะทำความดีไม่มีข้ออ้างทำเลยทำเลยอย่างคนตื่นเช้าตื่นเลย มันต้องขออีกห้านาทีขออีกสิบนาทีอันนี้มันขออ้างเยอะอืมครับอ่หรือคนที่มีฮีริโอตาปะนะทำความดีเนะี่ยทาเลยอย่างกรณีของตื่นเป็นต้นอย่างกรณีของไม่ขโมยของเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเขาเขาละอายในการที่จะทํานะจะขโมยอุ้ยไม่ทำอุ้ยจะต บ, ตบยุงสักตัวหนึ่งโอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวมันมันเจ็บแล้วก็เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายปล่อยมันไปแล้วกันนะมีความละอายนะแต่คนที่ตบยุงนี่เฮ้ยมันกัดชั้นชันไม่ได้ แต่ฉันเป็นโรคกลัวไข้มาลาเรียเอาข้อนี้มาอ้างเล่ดในการที่จะฆ่าสัตว <narrow>. ์คุณไม่มีสิทธิไปฆ่าใครเลยมึงมาอ้างเล่ดไงครับเพราะฉะนั้นคนชั่วเนี่ย inne. ก็จะเป็นคนที่อ้างเล่ดไม่มีฮีโรตาปะคนดีเนี่ยก็จะมีฮีโรตะปไม่อ้างเล่ดถามว่าคุณจะเปลี่ยนจากคนชั่วเป็นคนดีหรือคนดีเป็นคนชั่วพุทธชาพูดถึงมืดไปสว่างก็มีนะครับมาสว่างไปมืดก็มีมืดไปมืดก็มีสว่างไปสว่างก็มีครับนะคือทุกแบบเลยเกิดมาแบบเป็นคนที่ อาจจะเมื่อก่อนเป็นคนชั่วมาก่อนน่ะครับเฮ้ยวันหนึ่งตัดสินใจได้รับเบรกับข้อตื่นตื่นอ่าโอเคฉันจะเป็นคนดีละ <c oughs> อ่ะต่อไปนี้จะอ่าแทนที่จะมีมีแต่ข้ออ้างแล้วก็ไม่มีฮีริโอตปะใช่ไหมอ่ะต่อไปนี้ฉันจะมีฮีริโอตปะแล้วก็ไม่มีข้ออ้างเขาก็คือจะมาจากมืดไปสว่างใช่ไหมมืดไปสว่างอย่างนี้ดีมากเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่ามีเบรกับข้อหมายความว่าอาจจะมีเพื่อนดีใช่ไหม ในกรณีนี้เราพูดถึงเพื่อนดีอย่างเช่นว่าอาตมาอย่างเงี้ยถึงมรดกทั้งรงเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยคือความชั่วคุณอย่าทํานะนรกมีนะสวรรค์มีนะถ้าคุณทำก็คุณจะไปไม่ดีนะความชั่วเนี่ยถ้าคุณทําความดีคุณจะไปดีนะเอาเรามายืนยันนั่งยันอยู่นี้พระเจ้ามรณะภาพไปแล้วปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็ยังนอนยันอยู่นะอาตมาถ้าตัวเราไม่อยู่แล้วตายไปแล้วเราก็จะต้องนอนยันตอนนี้นั่งยันอยู่แตกลับท่านฟังว่าเฮ้ยมันมีนะมันมีนะไอ้ความดีความไม่ดีเนี่ยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ีไะ อ้าในเมื่อเขาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นเพื่อนดีกับเขาใช่ไหมเราก็ทําทให้เขามีหรยวต่อปากใช่ไหมจึงต้องมีเพื่อนดีคือบางคนมันไม่มีเพื่อนนะ่ะถ้าไม่มีเพื่อนคุณเอาธรรมะเป็นเพื่อนสิใช่ไหมคุณมีเวกับคอรคุณระลึกได้คุณรู้จักเรียนรู้อารยมัชมีองค์8ศึกษาคาสอนพระเจ้าเราบอกเออฉันไม่ทําละสิ่งไม่ดีนะพอไม่ทําสิ่งไม่ดีเราก็สบายใจละทีนี้คนชั่วเนี่ย จะดีขึ้นมานอกจากมีเพื่อนดีแล้วเนี่ยเพื่อนดีมันก็มีหลายนัยยะนะครับคือคืออย่างเช่นอาศัยพระภิกษุก็ได้เป็นเพื่อนดีก็ได้นะหรือว่าอาศัยคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยแต่เขาพูดดีๆเราอาศัยเขาเป็นเพื่อนดีก็ได้หรือจะอาศัยธรรมะก็ได้เป็นเพื่อนดีของเรากะเรยนมิตรในกรณีนี้นะครับทีนี้ว่าคนชั่วส่วนใหญ่มรรทงจะมีเพื่อนๆเป็นคนชั่วทั้งนั้นโอซึ่งเขาก็จะแนะนําว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สิดีแกขโมยเลยฆ่าเลยรักเลย โอ้ยไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาทำกันเพื่อนช่วมนจะแนะนำอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งคนดีเขาจะไม่แนะนำอย่างนี้นะซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาจะมีคำ ว, ว่า unfair advantage คือ unfair, คือคือมันแฝงไม่เสมอภาคไม่ไม่ advantage น <or advantage. S 1> ั่นคือสิ่งที่ได้เปรียบกันอย่างไม่เสมอภาคอย่างเช่นว่า คนรวยเนี่ยยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเอ๊ทำไมคนจนมันยิ่งจนลงจนลงจนลงเพราะคนจนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะต้องเก็บรักษารั์ ใช้จ่ายซับไปในสุรุยสุร่ายไดมีทางเสื่อมเป็นโพกซับสี่ทางและไม่รู้จักหาเงินเข้าไม่มีความขยันเป็นที่มาเป็นต้นเหตุพอมีความเสื่อมแล้วก็ไปหาเล่นเที่ยวนะทําให้มีกามทําให้จิตใจไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่คุณก็ไม่ได้เงินเข้าไม่ได้เงินเข้าเลยยังไปมีทางเสื่อมเป็นโพกซับเช่นมีเป็นนักเลงหญิงไปเที่ยวนักเลงสุรามีการพนันอีกมันก็ยิ่งจนลงจนลงจนลงครับทั้งนี้ตั้งแต่ไม่มีเพื่อนชั่วครับ ส่วนคนรวยทำไมยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะเขาขยันขึ้นะเขาไม่ไปเสพทางเสื่อมสีทางจะมาทําให้จิตเขาเป็นสมาธิดีมากขึ้นทํางานได้อย่างดีมากขึ้นตัดสินใจดีมากขึ้นเงินเข้ามามากขึ้นแล้วก็ไม่มีทางรั่วไหลออกอย่างนั้นนะมีเพื่อนดีเราเห็นได้อย่างหลายอย่างในมรดกงอย่างนักการเมืองบางคน่ะครับดีดีนะก่อนไปเล่นการเมืองพอเล่นการเมืองแล้วโอ้โหร่วงเลยเพราะมีเพื่อนชั่วครับมีนะ มีเงเสื่อมหลายๆมากๆอย่างเงี้ยพอไปเล่นปุ๊บเอาทำไมจดลงแถมยังโดนเขาประนามอีกแล้วเสื่อมเลยเพราะมันมีเพื่อนไม่ดีคือเพื่อนดีก็มีนะเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่า unfair advantage ที่จะอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าถ้าเราจะเอานักเรียนอย่างเงี้ยเด็กนักเรียนที่เขาเก่งเลขอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เก่งภาษาไปทำข้อสอบภาษาเขาก็ทาไม่ดี มัคือนักเรียนสองคนอยู่ห้องห้องอยู่ชั้นเดียวกันก็ได้แต่คนละห้องคนนี้เก่งเลขคนนี้เก่งภาษาเนีคนที่เก่งเลขก็ไม่เก่งภาษาคนที่เก่งภาษาก็ไม่เก่งเลขอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าจะเอาเขามาสอบวิชาเลขอย่างเงี้ยคนเก่งเลขก็ต้องทำคะแนนได้ดีกว่าแน่นอนนั่นคือมันไม่มีทางมันไม่มีอะไรแฟร์ในโลกอ่ะคือเหมาระหวงเนื้อแบบมันไม่มีอะไรยุติธรรมในโลกอ่ะมันมันต้องมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันแน่นอนตอนให้รัฐบาลเขาจะทํำยังไงเขาก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันได้ ก็คนคมันไม่เท่ากันน่ะครับพื้นฐานมาเออมันไม่เท่ากันน่ ะ, ะต่อให้ <จำ S 1> คุณเออต่อให้คุณเอาให้แท็บเล็ตเขาคนเล่เครื่อ ง, งนะเ อ, าอา่ออัดฉีกเงินให้สอนพิเศษอะไรต่างๆนะคนที่ไม่เก่งเลขยังไงมันก็เก่งขึ้นมาได้ไม่เกินสิบเปอร์เซนต์อืมครับเขาพยายามยังไงก็สิบเปอร์ซ็นสิบสิบห้าเปอร์เซ็นไม่เกินครับแล้วเขาก็จะไม่มีทางเก่งเท่าไอคนที่มันเก่งเลขอยู่โดยธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางแฝงโลกนี้ไม่มีอะไรแฝเพี่แต่ว่าคุณทําอะไรอ่ะ เพื่อพรธเจ้าจึงให้บรรทัดฐานในการทำไว้ง่ายๆเลยว่าสี่ห้าเบสิกคุณทำแรกก็ไดนะ้แต่อย่าเกินตรงนี้นะอย่าให้มันต่ำไปกว่านี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่แร์พระเจ้าบอกว่าคนที่ไปนรกอย่างเงี้ยสัตว์นรกอย่างเงี้ยนะโ้ได้รับทุกทรมานในนรกยังไม่พอต้องมารับเศษของการตำเป็นเปรต หรือเป็นอาุรกายรับเศษของการตอนเป็นเปรตเป็นอาุรกายและยังไม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เกิดในสกุลต่ำเส้นตสกุล ค, คนจันทานคนจักสารมีญญมรทรัพย์น้อยมีภพทรัพย์น้อยมีอุปการแห่งทรัพย์น้อยเป็นคนที่ไร้เปลี่ยนเสียขาผิวหยาบกร้านและแล้วก็ไม่รวยการศึกษาก็ไม่สูงไม่ได้เรียนหนังสือปรากฏมีเพื่อนช่วยมีเพื่อนช่วยทาชั่วทําชั่วแล้วยิ่งตายไปตกนรกหนักกว่าเดิมอีกอืครับนี่คือคนจนยิ่งจนลงต่ําลงต่ําลงคนอย่างคนที่เป็นเทวดามาก่อน นะัเทวดาอย่างเงี้ยมีศักดิ์ใหญ่มีวรนนะ์งามมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์เอิบอิ่มด้วยกรรมกุลทั้ง5หมดบุญแล้ว อ, อ้าวได้มารับผลเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยก็มาเกิดในสกุลที่เป็นมหาศาลในะสกุลคนรวยมีข้าวน้ําโภชษัพย์อุปกรณ์แห่งทรัพย์มากนะมีวันนะมีความรู้สูงมีผิวพรรณงามนะแล้วก็มีเพื่อนดีแล้วก็ทําความดีทําความดีทําความ ด, าม ด, ามดีก็ยิ่งไปสูง เพราะันคนรวยจึงยิ่งรวยขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูง tro, ขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะต้องมีพวกที่สว่างไปสว่างก็มีนะมืดนี้มืดไปมืดนี้เราพูดถึงเคสสว่างไปสว่างมืดไปมืดครับสลับกันมันก็มีได้ใช่ครับสลับกันได้เพราะมีเพื่อนชั่วหรือเพื่อนดีอืแสดงว่ากัลยาณมิตรนี่สำคัญมากเลยนะครับเป็นทั้งหมดของปรมาจารย์ครับอ่านอย่างตัวอย่างที่เรายกเมื่อคราวที่แล้วนะ ว่าเราเข้าไปร้านเข้าหน้าไก่ใช่ไหมหมอเอาแล้วทวงไปสั่งข้าวหน้าไก่สั่งไก่ไก่มาหมดได้เป็ดมาได้เป็ดมาเสร็จปุ๊บเอาเซ็งเอ้เซ็งทําไมอย่างนี้ได้ไงหมอออกไปดูหน้าร้านอ้าวเราเข้าร้านผิดเราเข้าร้านเข้าหน้าเป็ดออ่ะืมมีแต่เป็ดผลิตเป็ดแล้วดันไปเสือกสั่งไก่อพื่อขออภัยพูดผิดดันไปสั่งไก่สั่งไก่แล้วตัวเองเข้าร้านหน้าเป็ดสั่งไก่แล้วตัวเองบอกได้เป็ดแล้วไปเซ็งเขาคุณไม่ถูกคุณอยู่ในสังสารวัตคุณรู้ตัวหรือเปล่า ถ้าเราอยู่ในสังสารวัฏนะแน่นอนฟันธงร้อยเปอร์เซนตว่าเราจะพบสิ่งที่เราไม่น่าพอใจอการที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังการที่สังขารทั้งหลายจะเป็นไปอย่างที่เราหวังนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอัตนะอืออย่างตอนที่พระเจ้าบอกพระ อ, อนนุนบอกว่าตอนที่พระสารีบุตรปรินิพานบอกว่าอ้าวอ น, นุน การที่สัตว์จะหวังว่าสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วเป็นแล้วเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณเข้าร้านหน้าเป็ดแล้วไปสั่งสั่งไก่คุณก็ต้องได้เป็ดสิคุณไม่ได้ไก่มันเป็นธรรมดาคุณอยู่ในสังสา ร, รวัตคุณต้องเจอแบบนี้อ๋อครับให้ไหมเตรียมใจไว้เลยอ่าเพราะฉะนั้นเราเราต้องเจอเราถามว่าถ้าคุณเจอแล้วคุณจะทําไงนี่คือประเด็นนี่แหละคือเวกับคอรเรามีเวกับคอรพร้อมหรือยังที่จะรับสถานการณ์พวกนี้ ครับมีสติร้อมหรื อ, อยังที่จะรับสถานการณ์พวกนี้อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยอย่าเป็นผู้ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีตามรักษาจิตของตนเทิร์ดหว่างนั้นนะครับโอรับนี่เอาเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตมาสอนให้สร้างโอกาสในการทำดีนะครับแล้ว Wake up ั call มันมีตลอดครับ<ะ>แค่ฟัง <Okay. S 2> ทำตรงนี้บางคนก็ได้ทำเวกับคอแล้วิ้งขึ้นมาละครับ มันมีนาฏกาปลุกแบบนี้หมลรัตพง์ที่มันจะค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นนะนะดังกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคุณไม่ตื่นใช่ไหมกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคุณไม่ตื่นใช่ไหมกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งดังขึ้นใหม่กันนะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนเตียงสั่นจนแผ่นดินไหววะนั่นน่ะครับอมันต้องเหมนแล้วถ้าสุดท้ายคุณจะตายแล้วคุณยังไม่รู้อีกนะโอ้โหอก็ตายเกิดตายเกิดเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดใหม่นี้มันจะไปที่ไหนล่ะจะเจอคําสอนพระเช่าไหมจะเจอเพื่อนดีีมม้้ือออาาจะบกให่่ว คือถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เรารู้สึกเศร้าใจนะเอาอย่างเช่นแค่ว่าเจอเห็นพายุคราดีนาหรือว่าเห็นสีนามีที่ญี่ปุ่นแล้วกเกิดความเสียใจเสียใจอาจจะถึงร้องไห้หรืออาจจะไม่ร้องไห้ก็ได้เราเรียกว่ามีคุณสมบัติพร้อมแล้วมรดกพง<ม>พร้อมแล้วที่จะเป็นโซดาบันเพราะว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงนะครับคุณเห็นสิ่งที่โอ้ยเสียใจว่ะมันมันรู้สึกไม่ดีนะมันทำไมเป็นแย่งเงี้ยนั่นคุณเห็นความไม่เที่ยงแลคุณเห็นความทุกละ ถ้าคุณเห็นความไม่เที่ยงคุณเห็นความทุกข์อย่างนี้นะคุณพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้เป็นโสดาบันนะครคือมีคุณสมบัติพอแล้วที่จะเป็นโสดาปฏิผลได้อย่าเพิ่งตายครับเพราะว่าคุณอยู่ในโสดาปฏิมาณนะณนะวินาทีนั้นจิตคุณมีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยอยู่ในโสดาปฏิมาณนะทาให้ตลอดนะทำให้เรื่อยๆทำให้บ่อยๆทําให้มากๆทําตลอดเลยจากจุดนั้นเป็นต้นไปนะก่อนตายคุณจะได้โสดาปฏิผลแน่ นี่คือเรื่องของสติมันมีต้องมีอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นทำไมพระพุทธเจ้าคือตัดสินแล้วว่าจะสอนแต่ยังไม่รู้ว่าจะสอนอะไรเนี่ยจึงได้คิดออกมาว่าเออสอนเรื่องสติดีกว่าเพราะมันต้องมีตลอดต้องมีตลอดเดินทางคุณต้องมีสติถ้าคุณมีสติเดินทางคุณปลอดภัยกินข้าวคุณต้องมีสติถ้าคุณมีสติกินข้าวคุณอายุยืนนะนอนคุณต้องมีสติถ้าคุณมีสตินอนคุณไม่ฝันร้ายนะทำงานคุณต้องมีสติถ้าคุณมีสติทํางานคุณทํางานได้ดี อย่างกรณีของการนอนเนี่ยคือให้เราตั้งสติก่อนนอนใช่ไหมครับท่านใช่ใแล้วตอนที่นอนมันจะไม่ไหลลงสู่อบายอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่จิตเราจะไม่เข้าสู่ทําที่เป็นอกุศลนําทั้งหลายครับมันก็ไม่ฝันร้ายอ่ะครับก็เหมือนว่าถ้าฝันเราฝันว่าเราได้เอิบอิ่มในกามคุณทั้งห้านั่นฝันร้ายเพราะตื่นมาันหายหมดตื่นมาหายหมดมันก็เป็นฝันร้ายนี่สิ ออย่างคนที่หลับแล้วก็ไหลตายซึ่งเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหัวใจหยู่เต้นอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่แน่วัดวัดดวงนะว่าจิตตอนนั้นอยู่ในภพภูมิไหนนะครับอทีนี้ในเรื่องของพิเออร์ธมพอดแคสต์อันนี้คือทั้งทั้งหมดเนี่ยที่อาตมาพูดมาเนี่ยนะคือในเรื่องวันนี้เราพูดถึงเรื่องสติไหลมาเรื่อยๆจนไหลไปไหนละครับว่าที่ยืนยันว่ามันจะต้อง มีคำสอนพระพุทเจ้าอยู่อาตมาทําไม่ได้นะครับพงถ้าไม่มีสมณะโคดมคือถ้าเรามาพยายามจะยืนยนันนั่งยันกับท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยเราทําได้แค่ระดับเดียวครับคือเราทําได้แค่คนอื่นมันทวนกระแสมากมา้เออเรก็ยอมยอมเข้าไปตามตามเข้าไปแล้วกันนะเราจะไม่มีกําลังในการที่จะยืนยันกับเขาอย่างถ้าไม่มีพุทธชาช่วยออืเข้าใจไหมครับเข้าใจครับว่ามีคําสอนท่านเป็นเหมือนเป็นหลัก<ม><น>อยู่เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอยู่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ย มันไม่ผิดใช่ครับที่เราพูดเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ถูกต้องอืแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําออกนอกนี้นะฟันทงเลยคุณแย่แน่ถ้าคุณคอยู่ในนี้นะฟันทงเลยคุณดีแน่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะยินดีนะคุณเดินอยู่ในมัคดีแล้วดีแล้วเราจะมีความามั่นใจในการที่จะยืนยันตรงนี้นะจะมีกําลังจะมีเป็นหลักได้จะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะทำได้อเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นแบกขับเรา เป็นหลักที่ชัดเจนด้วยนะครับตัววิธีการปฏิบัติเนี่ยชัดเจนมากเป็นศาสดาที่เก่งมากเพราะนั้นเถอะใช้ปัญญามีเหตุมีผลรองรับหมดใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในการพูดครั้งนี้ก็อย่าหาว่าอาจจะมาพูดแรงไปอันนี้แค่เป็นไวคับคอลนะถ้าเปรียบเทียบกับซึนามิที่ญี่ปุ่นหรือว่าพายุคราฟตีนาที่ US เนี่ยโอ้ยน้ำท่วมเมืองไทยนี่ยังเล็กน้อยมากยังเล็กน้อยของเขามาก เพราะฉะนั้นการพูดของอาตมาครั้งนี้แค่แค่เป็นเครื่องเตือนสตนะิให้เห็นว่าเราจะต้องทำความดนะีอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังให้มีสติรักษาจิตเป็นผู้มีศีลเป็นอย่างดีนะ้ตามรักษาจิตของตนเถิดนะมันอย่างที่เราพูดกันเน้นๆมาอยู่ใน 4-5 ห้าครั้งหลังนี้ในเรื่องพวกนี้จะเน้นมากเรื่องของอุบัติภัยที่เกี่ยวกับการ วางจิตวางใจนะครับอื ม, อมใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของเวกับคอลในเรื่องพูดถึงของสมรรถวิพัฒนาที่ทำไงให้สมดุลก็ต้องมีสติใช่ไหมพูดถึง uh, บุปการีบุคคลกับกตัญญูกตเวทีบุคค ล, บ, บ, คคลบุคคลที่สองอย่างที่หาได้ยากนะัเราพูดถึงเรื่องคนชั่วกับคนดนะีที่ถ้ามีพื้นดีก็สามารถไปได้ดีรนะพูดถึงเรื่อง fa อันแฟร์แวนเราพูดถึงการที่เข้าเข้าร้าน อาหารผิดแลด้วไปสั่อาหารผิดคุณก็ช่วยไม่ได้ครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องความยินยัดถึงคําสองพระเจ้าว่าถูกต้องตรงจริงเ น, น่หลักไม่จํากัดการครับใชบบบ่ก็เดี๋ยวคราวหน้าก็จะมีเรื่อ ง, องของสังคตธรรมกับอะสังคตธรตรมแบบเจาะลึกนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังคือคือเรื่องที่จะเจาะลึกเนี่ยคือเรื่องของสมาธิันในหมวดของสังคตะอสังคตะอะไรเป็นอสังคตะในสังคตะ ในสมาี่บ้างนะนี่คือเรื่องคาร์นะ่แล้วก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการด่าการว่าเนี่ยที่จริงๆเราแยกได้เป็น2 ส, ส่วนที่น่าจะต้องพูดถึงเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดเหมือนกันเนาะแล้วก็ค่อยมาพบกันในตอนต่อไปตอนต่อไปจะเป็นตอนที่สี่สิบหกนะตอนสี่้านี้ถ้าท่านผู้ฟังฝังไม่ทันนะอาตมาพูดเร็วช่วงเนี้ยก็ต้องไปฟังอีกทีหนึ่งนะฝังซ้ำครับฝังซ้ำฝังซ้ำแล้วก็ จะได้ใจความที่ถูกต้องถูกผิดบ้างไงก็ช่วยเตือนกันมาบางทีเราก็พูดผิดเหมือนกันไงก็ถ้าส่งข้อความมาทางเพียวธรรมะคอพูดถึงข้อแนะนำข้อเสนอแนะหรืออะไรต่างๆก็ยินดีรับฟังคําถามหรือว่าหัวข้อที่ต้องการจะทราบหรือว่ามีปัญหาที่คาใจนะครับถามมาได้เลยครับช่วงช่วงตั้งแต่น้ำท่วมนี้รู้สึกคําถามหายไปเยอะ แสดงว่าขาประจำเราอาจจะต้องเจอภัยพิบัติด้วยนะครับครับวันนี้ต้องขอกราบน้ำสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุณโนครับให้พบกันใหม่ในตอนหน้าเชิครับครับสวัสดีครับ